การฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้เป็นคำตรัดไว้ในมงคลรสรที่ภาษาบาลีสรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนงังเอตัมมังกาลมุตตมมัง การฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคลก็เป็นประโยชน์สุขแก่จิตใจสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะการฟังธรรมนี้มีอานิสองส์อยู่หลายประการด้วยกัน ที่ผู้ฟังจะได้รับเช่นข้อที่หนึ่งก็คือจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไป ลึกซึ้งขึ้นไปสามจะช่วยกำจัดความสงสัยในบางเรื่องบางประการได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาและห้าทำให้จิตใจสงบผ่องใส นี่คือประโยชน์ผลที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมคำว่าตามการตามเวลาในสมัยพระพุทธการหรือในสมัยโบราณก็หมายถึงในวันพระวันธรรมะสวนสนั่นเองคำว่าธรรมะสวัสดก็แปลว่าวันวันฟังธรรม วันที่พุทธศาสนิกชนจะหยุดภารกิจการงานต่างๆหนึ่งวันเพื่อที่จะได้ไปวัดไปทำบุญให้ทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมและไปฟังเทศฟังธรรมพอสมัยก่อนนี่ ไม่มีสื่อต่างๆเหมือนสมัยนี้และไม่มีพุทธศาสนินกชนไม่มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือได้สมัยก่อนต้องอาศัยผู้ที่อ่านออกเขียนได้คือพระภิกษุที่ได้บวชและได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนนั้น มาแสดงให้แกสาธุชนพุทธบาลสัตได้ยินได้ฟังกันเพอสมัยก่อนการศึกษาไม่แพร่หลายเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ทุกคนอ่านออกเขียนได้ทุกคนสามารถอ่านหนังสือธรรมะกันได้อ่านหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกได้ ในสมัยนี้การเวลาเรื่องของการฟังธรรมจึงเปลี่ยนไปได้คือแทนที่จะต้องรอวันพระเพื่อไปฟังธรรมก็สามารถฟังได้ทุกวันหรืออ่านหนังสือธรรมะได้ทุกวันการอ่านหนังสือหรือการฟังธรรมบ่อยๆก็จะเป็นประโยชน์เพราะจะทำให้ ได้ยินได้ฟังได้อ่านเรื่องที่ไม่ค่อยได้ได้ยินได้ฟังได้อ่านหรือเรื่องที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านพอได้ยินได้ฟังได้อ่านบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปแต่การอ่านหนังสือธรรมะนี้หรือการฟังธรรมะนี้ควรจะมีการปฏิบัติ ควบคู่ไปด้วยคือไม่เพียงแต่ศึกษาเพียงอย่างเดียวควรจะศึกษาแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญการบำเพ็ญกิตตภาวนาพอเราได้ศึกษาวิธีการเจริญสมถภาวนาเราก็ควรที่จะ บำเพ็ญไปด้วยกันการบำเพ็ญสมะถะภาวนานี้ต้องมีอะไรก็คือมีสติสติจเจริญได้อย่างไรก็คือให้เรารู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องดึงใจผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยลอยไปตามความคิดต่างๆ mm hmm. เช่นให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธภายในใจ ไม่ว่าจะอยู่ในเอเรียบทใดเวลาใดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ให้เจริญได้เลยให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปได้เลยควบคู่ไปกับการกระทําการงานต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดถ้าเป็นการงานที่ต้องใช้ความคิดก็ให้หยุดบริกรรมพุทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็ ใช้ความคิดกับงานที่ต้องทำพอเสร็จจากงานนั้นแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดแล้วก็ให้บริกรรมพุทธโธต่ออย่าปล่อยให้ใจลอยไปตามความคิดต่างๆที่มักจะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดความอยากความโลภความโกรธขึ้นมา ถ้ายังมีความคิดปรุงแต่งแบบนี้อยู่การบริกรรมพุทโธก็มีความจำเป็นเหมือนกับการรับประทานยาถ้ายังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาไปเรื่อยๆจนกว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นหายไปการรับประทานยาก็หยุดการรับประทานได้ การบริกรรมพุโทโธเพื่อเป็นการเจริญสติก็ต้องทําไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดคิดปรุงแต่งถ้าใจหยุดคิดปรุงแต่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ก็ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธก็ได้ก็ให้รู้ไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้แล้วถ้าจะใช้ปัญญาพิจารณา เหตุการณ์ต่างๆก็ได้ถ้าพิจารณาให้เห็นว่าเป็นใจรับเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้นี้เป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตา ก, ก็คือไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าใจพิจารณาแบบนี้กับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้ใจรับรู้ ใจก็จะสักแต่ว่ารู้จะปล่อยวางจะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจะไม่อยากจะมีความทุกข์นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติที่ควรที่จะทำควบคู่ไปกับการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมเพราะ วิธีที่จะปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนที่จะต้องรู้ให้ครบท่วนกระบวนการให้รู้ไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของการเจริญสติก็ให้รู้เท่านี้ไปก่อนจเจริญสติไปก่อนคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปก่อน แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ควบคุมใจต่อไปอย่าให้ใจคิดปรุงแต่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเวลานั่งใจก็มักอยากจะลุกอย่าปล่อยให้คิดไปว่าอยากจะลุกเนี่ยถ้ามีพุทโธกำกับใจไว้ความคิดที่อยากจะลุกไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมา เมื่อไม่เกิดขึ้นมาก็จะสามารถนั่งต่อไปได้แล้วก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าสติต่อเนื่องคือใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เป็นระยะเวลาสักห้านาทีสิบนาทีใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาใจเข้าสู่ความสงบใจก็จะมีความสุข จะักแต่ว่ารู้จะมีอุเบกขาคือใจเป็นกลางปราศจากอาตาทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงจะไม่มีในใจที่มีความสงบจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าได้ความสงบแบบนี้ ก็ต้องทาก็ต้องรักษามันไว้เวลานั่งก็ให้มันสงบให้นานๆถ้ามันยังจะคิดปุงแต่งขึ้นมาถ้าใช้สติหยุดมันได้ก็ใช้สติหยุดมันไปเพื่อให้ใจกลับเข้าไปสู่ความสงบนั่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าไม่สามารถที่จะสู้กับความอยากที่จะลุกขึ้นมาได้หรือสู้กับความเจ็บปวด ที่ทำให้เกิดความอยากที่จะลุกขึ้นมาก็ให้ลุกขึ้นมาแล้วก็เจริญสติต่อไปหรือจะเจริญปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่การเจริญปัญญาก็คือให้รักษาความสงบของใจไว้ให้สักแต่รู้ไว้เวลาที่ไปสัมผัสรับรู้อะไร อย่าให้เกิดความอยากขึ้นมาเพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะทําให้ใจไม่สงบนั่นเองจะทําให้ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นหายไปการที่จะทําให้ไม่ให้เกิดความอยากหรือดับความอยากที่เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณาสิ่งที่ใจอยากได้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์กเพราะว่ามัน เป็นความสุขชั่วคราวการที่เราอยากจะทำอะไรอยากดูอะไรเพราะเราคิดว่าเวลาที่เราได้ทำแล้วเราจะมีความสุขนั่นเองอ่าเป็นความสุขที่เป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวขณะที่ได้ทำได้ดูได้ฟังได้เสพได้สัมผัสและพอเวลามันผ่านไปความสุขนั้นก็จะหายไป แล้วก็จะมีความอยากเข้ามาแทนที่ความอยากที่จะเสพอยากจะสัมผัสอีกเวลานั้นก็ความสงบที่ได้จากความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะหายไปก็จะทำให้ต้องอยากเสพนั้นเสพนี้ขึ้นมาเสพเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยากจะเสพไปเรื่อยๆ แล้วถ้าไม่สามารถเสพได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าสอนใจแบบนี้สอนให้เห็นว่าการกระทําตามความอยากไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจแต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสุขที่ถาวรได้เหมือนกับความสงบความสุขที่ได้จากความสงบ ถ้าสอนอย่างนี้ใจก็จะหยุดความอยากได้แล้วก็กลับมาตั้งอยู่ในความสงบได้กลับมาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบได้นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเช่นเวลาออกจากสมาธิมาก็อยากจะรับประทานขนมนมเนยแต่มันไม่ใช่เป็นเวลาที่จะรับประทาน พราเราถือสีลแปดเราจะรับประทานก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช่นตอนเช้าตอนรับประทานอาหารถ้ายังไม่ถึงเวลาเราก็จะไม่รับประทานรับประทานไปก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะรับประทานอีกก็ต้องคอยหารับประทานอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น เราไม่ต้องการหาความสุขแบบนี้เราต้องการหาความสุขที่เกิดจากความสงบใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติคอยกำกับควบคุมใจไม่ให้ไปคิดในทางความอยากหรือถ้าคิดไปในทางความอยากก็ให้ใช้ปัญญาหยุดมันด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่อยากได้อยากทำอยากมีอยากเป็น ถ้าใช้ปัญญาความอยากมันก็จะหายไปอย่างถาวรถ้าใช้สติมันก็จะหายไปชั่วขณะที่จะิญสติเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่คิดถึงความอยากนั้นความอยากนั้นก็จะหายไปแต่เวลาใดที่เราหยุดบริกรรมพุทโธความอยากนั้นก็ยังจะกลับ ขึ้นมาใหม่ได้ในเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จักใช้ปัญญาก็ต้องใช้สติรักษาความสงบของใจหรือสร้างความสงบให้แก่ใจถ้ายังไม่เคยมีความสงบก็ต้องใช้สติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้สร้างความสงบสร้างความสุขของใจขึ้นมาแล้วพอได้แล้วก็รักษาด้วยสติบริกรรมพุทโธ เวลาที่ใจออกมาจากความสงบออกมาคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าปล่อยให้คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยเหมือนที่เคยคิดปรุงแต่งต้องควบคุมด้วยสติคือการบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะสามารถใช้ปัญญาได้พอใช้ปัญญาได้ก็ไม่ต้องใช้การบริกรรมพุทธโธ ใช้การพิจารณาตายรักไปแทนเห็นอะไรก็พิจารณาเว่นเป็นตายรักว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีวันเสื่อมมีวันหมดไปไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อย่างถาวรไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรจะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปเวลานั้นความสุขก็จะหมดไปด้วย ความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแมทนที่เพราะความอยากจะให้มีความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาความอยากให้มีความสุขนี้มันปรากฏอยู่ตลอดเวลามันจึงต้องคอยหาอะไรมาให้ความสุขกับใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองพอเวลาใดไม่สามารถหาความสุขมาให้กับใจได้ใจก็จะอยู่กับความทุกข์ นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องเจริญหลังจากที่เราออกจากสมาธิคือความสงบแล้วนี่คือเรื่องของการฟังธรรมฟังแล้วก็ต้องนำออกไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติฟังไปแล้วก็จะไม่ได้อะไรมากกว่าเป็นความจำความรู้ชั่วคราวจำได้ในขณะนี้ พอเวลาผ่านไปเอกสักวันสองวันความรู้เหล่านี้ก็จะหายไปหมดแล้วก็จะกลับอยู่ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมเคยคิดปรุงแต่งอย่างไรก็คิดปรุงแต่งต่อไปก็อยากได้อยากมีอะไรก็อยากได้อยากมีต่อไปแล้วพอสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาเหมือนเดิม ผลที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นผลชั่วคราวเดียวเดียวเป็นผลที่ได้ในขณะที่ฟังตอนนั้นเองพอฟังแล้วก็เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ฟังก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหยากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ความสุขใจความสงบ ใจที่ได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมก็จะจางหายไปความรู้ที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมก็จะจางหายไปแต่ถ้านำมามาปฏิบัติความรู้ที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมมันจะฝังอยู่กับใจเพราะการปฏิบัตินี่แหละเป็นตัวที่จะดึงเอาความรู้ต่างๆเข้ามาสู่ใจทาให้ใจเกิด สัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาที่ถาวรขึ้นมาไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัญญาคือเป็นความจำจำได้ว่าทาอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้พอไม่ได้ทำสักครักงหนึ่งก็จะจำไม่ได้ก็จะลืมไปจะไม่ทำการไม่ทำนี้ก็แสดงว่าลืมแล้วเช่นการไม่บริกรรมพุทโธตลอดเวลาหลังจากที่ ออกจากที่นี้ไปแล้วก็แสดงว่าลืมแล้วลืมเรื่องการเจริญสติแล้วเมื่อลืมก็จะไม่มีการเจริญสติเมื่อไม่มีการเจริญสติก็จะไม่มีผลคือความสงบและความสุขที่ได้จากความสงบและเมื่อไม่ได้รับความสุขที่ได้รับจากความสงบ ก, ก็จะไม่เห็นคุณค่าของความสงบ พอเกิดความอยากก็จะไปทําตามความอยาก ท, ทันทีจะไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อลบความอยากจะไม่ใช้สติหยุดความอยากถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นใจก็จะกลับไปทําตามที่เคยทําตามคือทําตามความอยากสาประการด้วยกันคือการมารฐานา อยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดพะ ภ, ภาวะตันหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นการฟังธรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกับสภาพจิตใจถ้าฟังเพียงอย่างเดียวจะให้สภาพของจิตใจนี้เปลี่ยนไปให้พัฒนาขึ้นดีขึ้นไปให้มีความสงบมากขึ้นไป ให้มีความเฉลียว ฉ, วฉลาดมีมากขึ้นไปต้องเกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนตามธรรมที่ได้ยินได้ฝังเท่านั้นการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวนี้ถ้าเป็นมงคลก็เป็นมงคลในระดับต่ำํำถ้าเปรียบเทียบกับมงคลที่จะได้รับจากการปฏิบัติ มงคลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้เป็นเป็นมงคลที่แท้จริงเป็นมงคลที่สำคัญกว่ามงคลที่ได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมแต่การปฏิบัติธรรมก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมหรือไม่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้และจะไม่สามารถที่จะรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองดันั้นการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าไม่มีการฟังเทศฟังธรรมแล้วการปฏิบัตินี้จะไม่มีวันที่จะบรรลุผลขึ้นมาได้ เช่นในสมัยก่อนที่มีพระพุทธเจ้าจะมาแสดงพระธรรมคําสอนไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สรรัตวโลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาไปปฏิบัติได้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้เป็นจํานวนมาก นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมที่เป็นมงคลเป็นมงคลเพราะว่าเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วถ้าเราฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้เกิดผลที่เลิศที่ประเสริฐขึ้นมา ต้องเกิดจากการฟังธรรมแต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติหลังจากที่ได้ฟังธรรมแล้วถ้าฟังเพียงอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติผลอันยิ่งใหญ่อันเลิศอันประเสริฐก็ยังจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ดังนั้นการฟังธรรมก็ควรที่จะฟังกันแล้วการฟังธรรมที่จะ ทำให้ได้เกิดประโยชน์จากการฟังธรรมก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองกายก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดไม่คุยกันใจก็ต้องตั้งมั่นอยู่กับการฟังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้บางท่านคิดว่าการฟังธรรมแล้วก็ทำอะไรไปควบคู่ด้วยจะได้ประโยชน์ ถ้าได้ประโยชน์ก็ได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าใจนั้นไม่ได้อยู่กับการฟังทำเพียงอย่างเดียวใจจะต้องอยู่กับการทํางานทําการควบคู่ไปกับการฟังทำด้วยงท่านบอกว่าขับรถไปก็เปิดธรรมะฟังไปธรรมะที่ได้ยินได้ฟังก็จะได้บางส่วนจะไม่ได้ครบบริบูรณ์ จะไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องเรื่องของเหตุของผลนี่บางทีอาจได้ฟังเหตุแต่ไม่ได้ฟังผลเพราะขณะที่แสดงผลใจไปอยู่กับการขับรถก็เลยไม่รู้ว่าทําเหตุอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างไรถ้าอยากจะได้ทั้งเหตุรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลก็ต้องฟังตลอดเวลา ใจจะขยับไปหาเรื่องอื่นไม่ได้เลยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เลยพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับปิดหูไวเลือกเสียงที่เข้ามามันก็จะเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปมันจะไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้เปิดประตูรับไว้ใจหันประตูไปอีกที่หนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอยู่กับการขับรถ ดังนั้นถ้าอยากจะฟังทำให้เกิดอนิสงส์เต็มที่เต็มร้อยควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบอย่าไปทำอะไรในขณะที่ฟังทมอย่าไปพูดไปคุยกันในขณะที่ฟังทมอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่ฟังทราะจะทาให้ไม่ได้รับผลขึ้นมานั่นเอง ผู้ที่สามารถฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบนั้นก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติควบคู่ไปกับการฟังธรรมได้เลยพิจารณาตามได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ข้างแรกก็ปรากฏมีพระอัญญาณโกนธั ญ, ญะที่ฟังไปแล้วก็พิจารณาตาม พิจารณาเรื่องของทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากเรื่องของการดับความทุกข์ด้วยการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สามารถทําให้ใจด้านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ก็เลยปล่อยวางสิ่งนั้นไปกำลังกังวลเรื่องของร่างกายกลัวจะตายพอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ากลัวแล้วไม่กลัวมันก็ต้องตายกลัวแล้วมันทุกข์เพราะอยากจะให้มันไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยมันปล่อยให้มันตายไปไม่ไปอยากให้มันไม่ตายพอละความอยากไม่ตายได้แล้ว ความทุกข์ความกลัวก็จะหายไปใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับนั้นได้ทันทีหายจากความกลัวตายไม่กลัวตายต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของการฟังและการปฏิบัติควบคู่กันไปในขณะที่ฟังในขณะที่ฟังก็พิจารณาตามไปพิจารณาถึงสิ่งที่ตนเองกําลังทุกข์อยู่ กำลังทุกข์อยู่กับความตายของร่างกายกลัวความตายพอพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครยับยัง้งหักห้ามได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าอยากให้ไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องดับความอยาก ไม่ให้ไม่ตายนั่นเองพอดับความอยากได้ปั๊บอยากความอยากไม่ให้ร่างกายไม่ตายได้ความทุกข์ก็จะหายไปนี่ก็คือผลที่ได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมควบคู่ไปการจะได้ผลอย่างนี้ก็จะต้องไม่ทำอะไรอย่างอื่นในเวลาฟังเทศฟังธรรมถ้ามัวไป ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นไปขับรถขับราขับรถไปมันก็ต้องคอยดูท้องถนนคอยเปลี่ยนเกียร์คอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคอยเหยียบคันเร่งคอยเหยียบเบรกใจก็ต้องมาพวกรพวญกับการขับรถธรรมะที่ได้ยินได้ฟังก็จะไม่ต่อเนื่องและฟังแล้วก็ไม่ได้นำมามาพิจารณาปฏิบัติในขณะเดียวกันเลย คนฟังธรรมแบบนี้จึงไม่ค่อยปรากฏได้บรรลุธรรมกันเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมและไม่ได้ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนั่นเองเพราะการบรรลุธรรมจึงไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากที่จะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรม เราก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาตามธรรมที่กำลังแสดงอยู่ถ้าพิจารณาเรื่องอนิจจังก็ต้องพิจารณาอนิจจังถ้าแสดงเรื่องอนิจจังก็พิจารณาเรื่องอนิจจังตามไปพิจารณาเรื่องสมุทัยว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็พิจารณาตามไปแล้วก็ดูความอยาก ดูสมุทัยที่มีอยู่ในใจดูว่าหยุดสมุทัยที่มีอยู่ในใจได้หรือไม่ด้วยปัญญาที่ส่งสอนให้พิจารณาและส่งสอนให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าปฏิบัติตามได้พิจารณาตามได้ก็สามารถดลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรม ที่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลอย่างยิ่งก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เองไม่มีอะไรที่จะเป็นมงคลยิ่งกว่าการได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติของความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราจึงต้องพยายาม ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วเราก็ต้องพิจารณาตามปฏิบัติตามไปด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าฟังเหมือนกับฟังแบบซื่อบื้อฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ยินได้ฟังอะไรบางคนฟังไปแต่ใจนี่ไม่ได้อยู่กับการฟังใจลอยไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้พอฟังจบแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ยินได้ฟังอะไรบ้าง ไม่ได้ผลอะไรการที่จะฟังก็เหมือนกับการที่เราจะเทน้ำใส่ภาชนะการที่เราจะเทน้ำให้อยู่ในภาชนะได้ภาชนะนี้ต้องไหนขึ้นมาถ้าภาชนะมันคว่าอยู่เทน้ำเข้าไปน้ำก็จะไม่เข้าไปอยู่ในภาชนะเช่นแก้วถ้าคว่มแก้วไว้แล้วเทน้ำใส่ไป น้ำก็จะไม่เข้าไปในแก้วถ้าอยากจะให้น้ำอยู่ในแก้วก็ต้องหงายแก้วขึ้นมาแล้วแก้วก็ต้องตั้งอยู่เฉยๆถ้าแก้วมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนกับเวลาที่เรานั่งอยู่บนรถแล้วรถมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาแก้วน้ำก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเวลาเทน้ำใส่ไปในแก้วก็อาจจะใส่ไปได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะแก้วมันไม่ตั้งอยู่เฉยๆไม่นิ่งใจของเราก็เป็นเหมือนแก้วน้าที่จะรองรับน้ำแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าใจเราไม่นิ่งใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจไม่ได้หายขึ้นมาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังก็จะไม่เข้าไปสู่ใจเมื่อไม่เข้าสู่ใจมันก็จะไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้นั่นเองนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราการฟังธรรมนี้เป็นประโยชน์มากแต่ต้องนำเอาไปปฏิบัติ ด, ด้วยถึงจะเกิดประโยชน์ได้เต็มที่ถ้าฟังเพียงอย่างเดียวประโยชน์จะไม่เกิดมาก เหมือนกับการดูแผนที่ถ้าเราเปิดแผนที่ดูแต่เราไม่ได้เดินทางเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการดูแผนที่เพราะเรายังจะอยู่ที่เดิมอยู่อยู่ที่บ้านของเราอยู่เราอยากจะไปที่เชียงใหม่เราไม่รู้จักทางเราก็ต้องเปิดแผนที่ดูทางว่าจะไปอย่างไรพอเราดูแผนที่แล้วเราไม่ออกเดินทาง เราก็ยังไปไม่ถึงเชียงใหม่เราก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เหมือนเดิมนั้นการดูแผนที่แบบนี้ดูไม่ดูมันก็มีผลเท่ากันคือไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันถ้าเราอยากจะไปมรรคผลนิพพานเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัตินถ้าฟังธรรมอย่างเดียวฟังแล้วก็จบแล้วก็กลับมา ทำธุรกิจพาลกิจอะไรต่างๆเหมือนเดิมแทนที่จะนาเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่มาฟังธรรมก็จะได้ยินเสมอว่าให้ฝึกสติกันให้มากๆให้เจริญสติกันให้มากๆแล้วได้เจริญกันหรือเปล่าพอฟังเทศฟังธรรมกันเลิกกันก็ปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เจอหน้าก็คุยกัน ไม่มีสติควบคุมให้อยู่กับพุโทโธเลยกลับไปถึงบ้านก็หายไปแล้วพุโทโธแล้วก็อาทิตย์หน้าก็กลับมาฟังเทศฟังธรรมใหม่มันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็อยู่ที่จุดเดิมนั่นเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติกันการฟังธรรมนี้ฟังเพื่อให้เอาไปปฏิบัติเหมือนกับการเปิดดูแผนที่เปิดดูแผนที่เพื่อให้ออกเดินทางถ้าไม่ออกเดินทางอย่าไปเปิดดูให้มันเสียเวลา ถ้าไม่ปฏิบัติก็อย่าไปฟังทมให้มันเสียเวลาฟังแล้วมันก็จะไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาใดอย่างใดมาฟังเทศฟังธรรมกันกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วฟังแล้วมีผลเกิดขึ้นมาหรือไม่ผลเกิดขึ้นมาเพราะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติผลมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่ฟังเทศฟังธรรมมันก็ไม่เกิดเหมือนกัน เพราะจะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองเหมือนกับพออยากจะไปเชียงใหม่ก็ออกจากบ้านขับรถเดินทางไปเลยไม่รู้ว่าททิศทางที่จะไปเชียงใหม่ไปทิศทางไหนเจอถนนก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับไปตามความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ก็ไปไม่ถึงเชียงใหม่เหมือนกันถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษา มันก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นมันต้องมีทั้งสองสองส่วนรวมกันมีทั้งการฟังทำการศึกษาฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยววันสองวันมันก็จะลืมหรืออาจจะเร็วก็นนะั้นบางทีไม่ถึง ว, นวนันสองวันไม่ถึงชั่วโมงพอการแสดงทำเสร็จออกไป จากศาลานี้ก็ไปพบปะกันก็เริ่มคุยกันแล้วคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้แทนที่จะเจริญพุทโธพุทโธกันถ้าผู้ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติจริงๆพอออกจากศาลานี้ไปปั๊บ ก, ก็ต้องเจริญสติกันแล้วเพราะถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องมีสติพอเจริญสติแล้วก็พอไปมีที่ไหนเงียบมุมสงบ มีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็นั่งสมาธิกันเลยถ้านั่งแล้วถ้ามีสติมันก็ต้องสงบตอมันสงบแล้วพอออกมาก็หัดใช้ปัญญาหัดพิจารณาอ น, นิจจังอ น, นิจจังเป็นอย่างไรอ น, นิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนเดิมไม่คงสภาพเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมเช่นพิจารณาร่างกาย ร่างกายนี้มันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลานาทีเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเปลี่ยนที่เราเล็กที่เราน้อยจะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถ้ามองในขณะในเวลาเดียวกันคือในหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนี้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนน้อยมากจนแทบมองไม่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเอาภาพที่ถ่ายในวันนี้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับภาพในวันข้างหน้าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วดูภาพที่เราถ่ายไว้เมื่อ10ปีก่อนกับดูตัวเราเองในวันนี้เราจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของเรานี้ได้เปลี่ยนไปนี่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลานาทีนั่นเอง ถึงทำให้หน้าตาของเรารูปร่างของเรานั้นเปลี่ยนไปได้จากเด็กแล้วก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เราก็เริ่มเป็นคนสูงอายุจากคนสูงอายุก็เป็นคนชราแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นคนตายไปนี่ก็คือการพิจารณาอนิจจังเราควรจะพิจารณาอนิจจังกับเรื่องอะไรก็กับเรื่องที่เรารักเราห่วงนี่แหละเป็นตัวสาคัญ เรื่องที่เราไม่รักเราไม่หวงนี้ไม่ต้องไปพิจารณาให้เสียเวลาเพราะเขาจะอนิี้จังหรือไม่อันนี้จังนี้เขาไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่สิ่งที่เรารักเรื่องที่เรารักคนที่เรารักนี้ต่างหากที่จะสะเทือนใจเราเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาสูญไปเวลาที่เขาดับไปถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยเรื่อยเราจะได้รู้ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้ เช่นร่างกายของเราเขาจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเอาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีโรคนั้นโรคนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนมีโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันโรคตับโรคไตโรคสารพัดโรคที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันจะต้องโผล่ขึ้นมาให้เราได้รับรู้ถ้าเราไม่เตรียมศึกษาเตรียมตัวรับไป เตรียมตัวรับเรื่องราวเหล่านี้พอเกิดขึ้นมาเราจะรับไม่ได้เราจะทุกข์ขึ้นมาอย่างมากแต่ถ้าเราศึกษาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปพอคิดอย่างนี้เรื่อยๆพอเวลาเกิเทตการขึ้นมาใจก็จะไม่ทุกข์กับมัน เพราะใจเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์แล้วไม่หลงไปคิดว่ามันจะไม่แก่มันจะไม่เจ็บมันจะไม่ตายนี่คือการพิจารณาเรื่องอนิจจพิจารณาได้กับทุกอย่างเรื่องของมนุษย์เรื่องของร่างกายของคนเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็มีความเสื่อมเหมือนกันะบ้านที่สร้างมาเหล๋ยอมันก็เก่านานๆเข้ามันก็ชํารุดทรุดโทรม ต้องซ่อมต้องอะไรพอซ่อมไม่ได้ก็ต้องทุบทิ้งไปสร้างใหม่รถยนต์ก็เหมือนกันซื้อมาใหม่ใหม่มันก็ดีไปหมดพอขับไปด้เรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดการเสื่อมตามสภาพตามเวลาเดี๋ยวก็ชิ้นส่วนนั่นก็เสียชิ้นส่วนนี้ก็เสียก็ต้องเอาเข้ารถเอารถเข้าอู่เข้าไปซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้ก็เปลี่ยนไป ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่ไปเปลี่ยนรถใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังเหมือนกันหมดออมีการเ ก, เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมีการเสื่อมมีการเจริญมีการเจริญมีการเสื่อมแล้วก็มีการดับไป เ, ออเราต้องรู้ทันความจริงรู้อนิจจังของทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ไม่หลงไปยึดติดจะไม่หลงคิดว่าเขาจะอยู่กับเราเหมือนเดิมไปตลอดเวลาเขาจะต้องมีวันเปลี่ยนไปได้หมดไปในที่สุดเราจะได้ไม่ไปพึ่งเขาไม่ไปอาศัยเขามากจนเกินไปเราจะได้หาที่พึ่งที่แท้จริงกันตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงกันเราก็เลยต้องพึ่งสิ่งต่างๆ ที่ยังที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่ไหนเราก็จะไปพึ่งสิ่งต่างๆพระเช่นไปพึ่งลาบยศจารเสริญไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ไปพึ่งร่างกายไปพึ่งตาหูจมูกรึ้นกายที่เป็นอนิจจังทั้งนั้นมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดสภาพไปเวลาที่มันหมดสภาพไปแล้วจะไปพึ่งอะไรเมื่อไม่มีที่พึ่งก็ต้องวุ่นวายใจต้องทุกข์ใจนั่นเองตอนนี้เราพิจารณาไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรากำลังเรากำลังพึ่งในสิ่งที่เราเพึ่งไม่ได้ เมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นอนนี้จังเมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นอนนี้จังเราจะได้ศึกษาหาที่พึ่งอันใหม่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบการมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เพื่อมาฟังเรื่องของการสร้างที่พึ่งที่ถาวรที่แท้จริง น, นี้เองที่พึ่งที่แท้จริงที่พุทธเจ้าได้ส่งคนพบก็คือความสงบของใจนี้เองถ้ามีความสงบของใจแล้วใจจะปราศจากทุก จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่ใจเคยไปยึดไปติดเคยไปพึ่งพาอาศัยถ้ามีความสงบเป็นที่พึ่งแล้วใจก็ปลอดภัยปลอดจากความทุกข์ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ไม่เดือดร้อนลาบยศสรรเสริญจะเสื่อมไปก็ไม่เดือดร้อนรูปเสียงกลิ่นรสผธพระจะหายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจยังมีที่พึ่งอยู่ ยังมีความสงบเนี่ความสงบนี้แหละเป็นที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราของพวกเราที่พวกเราพยายามที่ควรจะพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังวิธีสร้างความสงบนี้แล้วฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันเหมือนกับการสร้างบ้านให้สถาปนิกเขาออกแบบแล้วให้วิศวกรเขาคานวณ แล้วแต่ไม่ยอมไปสร้างเสียดายเงินเพราะว่าเวลาสร้างต้องไปจ้างผู้รับเหมามาสร้างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเสียดายเงินอยากจะเอาเงินไปกินขนมมากกว่าก็เลยไม่ไปสร้างบ้านก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ถ้าไม่ยอมไม่ไม่เสียดายยอมเสียเงินไปก็เราก็จะได้บ้านเป็นที่อยู่อาศัยได้ฉันดเราก็ต้องลงทุนในการปฏิบัติ ถ้าเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียก็คือเราก็ต้องหยุดพึ่งสิ่งอื่นๆนั่นเองหยุดพึ่งลาบยศการรเสิรินหยุดพึ่งรูปเสียงกลภภิ่นรสผลทพะหยุดพึ่งร่างกายอย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นพาหนะในการหาความสุขต่างๆเรามาใช้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องมือสร้างที่พึ่งแท้จริงให้กับเราถ้าเราไม่ละไม่ปล่อยที่พึ่งทางร่างกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างที่พึ่งทางใจนั่นเองเพราะเราก็ยังจะต้องเสียเวลากับการไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลเถพเพพึ่งลาบยศสารเสรินั่นเองเราก็ต้องเสียเวลากับการไปหาลาบยศสารเสรินหารูปเสียงกลิ่นรสผลเถร เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างที่พึ่งทางใจกันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ที่พึ่งทางใจเราต้องสระที่พึ่งทางร่างกายไปสระลาบยศสารเสรินสุขไปอย่าไปสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นอนิจจ์เป็นของชั่วคราวเราหยุดถาความสุขทางลาบยศสรรเสรินทางทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ แล้วเรามาปิกวิเวกกันมาอยู่กันในที่สงบสงัดเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติกันอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบเราก็จะได้ที่พึ่งขึ้นมาชั่วข่าวก่อนเพราะความสงบที่ได้จากสมาธินี้ก็จะอยู่ได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความสุข ความสงบนี้ถ้าไม่ได้ดูแลรักษาด้วยสติมันก็จะหายไปถ้ามีสติมันก็จะจะตั้งอยู่ได้ต่อไปแต่เวลาใดที่ขาดสติเผลอสติความสงบนั้นก็จะหายไปได้ ท, ทันทีถ้าอยากจะให้มันไม่หายไปอยากจะให้มันอยู่อย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็มีไว้เพื่อที่จะมาส ก, กัดกั้น ตัวที่จะมาทำลายความสงบนี้เองตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือตันหาความอยากตันหาความอยากมันก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่สิ่งต่างๆที่ตันหาความอยากอยากได้แต่พอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นความสุขเดียวมันขณะที่มันมีอยู่ตั้งอยู่มันก็สุขเวลามันเสื่อมมันหมดไปมันก็จะทุกข์ นี่คือการแก้กความหลงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าเป็นที่พึ่งนะั้นมันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งชั่วคราวเพราะมันเป็นอนิจจังพอพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ไปเพิ่งต่งไม่ไปเพิ่งสิ่งต่างๆไม่ไปทาตามความอยากต่างๆพอไม่ทาตามความอยากทุกความอยากที่จะมาทำลายความสงบมันก็จะหายไป ความสงบก็จะตั้งอยู่ต่อไปได้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ต้องรักษามันก็ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีอะไรจะมาทำลายที่พึ่งของเราได้อีกต่อไปใจของเราก็จะมีที่พึ่งไปตลอดมีบรลมมัสุขนี้เองนิพานังปรามังสุด ข, ขังนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง นิพพานก็คือความสงบที่ถาวร น, นี้เองเพราะว่าไม่มีตันหาความอยากที่จะมาทําลายความสงบนี้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมและการนําเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อที่พึ่งที่แท้จริงที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปถ้าเราฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับผล หรือถ้าเราปฏิบัติโดยที่เราไม่ฟังทำเราก็จะหลงทางได้จะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องฟังด้วยฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติทันทีอย่าปล่อยให้ทิ้งเอาไว้เพราะเดี๋ยวไม่นานมันก็ลืมฟังแล้วก็ไปปฏิบัติเลยแล้วพอปฏิบัติผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็กลับมาฟังใหม่เพื่อมาทบทวนว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับผลที่ถาวรพอได้รับผลที่ถาวรแล้วก็ไม่ต้องฟังทาอีกต่อไปก็ได้ฟังไม่ฟังก็มีผลเท่ากันเพราะว่าเราได้รับผลแล้วไม่มีอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติอีกแล้วนั่นเองเหมือนกับเราได้เดินทางถึงเชียงใหม่แล้วเราปิดแผนที่ได้แล้วไม่ต้องเปิดแผนที่ดู แผนที่นี้ก็มีไว้เพื่อพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วแผนที่ก็หมดความหมายไปการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมและการปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นพอเราได้มรรคผลนิพานแล้วการฟังเทศฟังธรรมกับการปฏิบัติก็หมดความหมายไปจะฟังก็ได้ปฏิบัติก็ได้หรือไม่ฟังก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ไม่มีผลแตกต่างจา ก, กันไม่สามารถที่จะมาลบล้าง ลาบลบล้างมากผลนิพพานที่เราได้รับที่มีอยู่ในใจของเราแล้วเหมือนกับเราไปถึงเชียงใหม่แล้วเราจะดูน้องดูแผนที่แล้วไม่ดูแผนที่เราจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็ไม่สําคัญแล้วเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วอั้นใดการสั่งเทศฟังตามการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นต้องไปควบคู่กันไปไม่ได้แยากออกจากกัน ไม่ใช่เรียนให้จบปไตยปีเดก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะลอมไปหมดพอถึงเวลาปฏิบัติก็จำไม่ได้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างต้องปฏิบัติต้องเรียนไปแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไปตามขั้นตามตอนอยู่ขั้นทานก็ทำทานไปอยู่ขั้นศีลก็รักษาศีลไปอยู่ขั้นภาวนาก็ภาวนาไปทำไปตามขั้นของมันควบคู่กันไปเลย แล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผรอยยะทาวาริวาหาปุราปารุปรเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปฏติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสีฤิตนิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรรมาวะทานติอายุวโนสุขังภาลางต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านใดที่อยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ ถ้าไม่มีก็จะให้ถามคำถามของทางบ้านที่ผ่านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาขอเชิญพิธีกรต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณวรินทร์เวลานั่งภาวนาพอหลับตามันก็นึกพุโทโธเอาโดยอัตอนโนมัติเองเลย แล้วพอนั่งไปสักพักพุโทโธก็หายไปแต่เราก็รู้ลมอยากทราบว่ามันเป็นอะไรเหรอคะมันหายก็เป็นอนิจจังเลยเรียกว่าเราขี้เกียจพุโทโธมันก็หายไปมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าเราไม่บริกรรมพุโทโธมันก็หายไปเพราะพุโทโธมันเกิดจากการบริกรรมของเรา การบริกรรมพุทโธนี้ไม่จาเป็นจะต้องดูลมไปด้วยถ้าไม่ถนัดแต่ถ้าถนัดถ้าชอบบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับลมก็ทำได้แต่เป้าหมายของการบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจนี้เพื่อยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆนั้นขอเราดูว่าเรายังมีความคิดปรุงแต่งอยู่หรือเปล่าถ้าพุทโธหายไป แล้วไม่มีความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งหายไปด้วยก็ใช้ได้แสดงว่าจิตว่างจิตสงบก็ไม่ต้องไปกังวลกับพุโทโธให้สักแต่ว่ารู้ไปให้อยู่กับความว่างความสงบไปเรื่อยๆถ้ายังไม่สงบเต็มที่ถ้าไม่สงบเต็มที่ยังสามารถดูลมหายใจได้ก็ดูลมต่อไปสักแต่ว่ารู้ดูลมไปลมเข้าก็รู้ว่าเข้า ลมออกก็รู้ว่าออกรู้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นจนกว่าลมจะหายไปหายไปก็อยู่กับความว่างไปอยู่กับความไม่มีลมไปอยู่กั บ, กบสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามันจะรวมมันก็วุบลงไปแล้วมันก็เนีงแล้วก็สบายถ้ายัางไม่รวมก็ให้มีสติประครับประคองตัวรู้ไว้ให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆไปอย่าให้เป็นไปคิดปรงแต่งก็กันทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเข้าสู่ความสงบเองคำถามต่อไปจากคุณรัตรพงศ์เมื่อภาวนาพุโทโธแล้วจิตรวมลงเกิดอาการคือบางครั้งก็น้ำลายไหลบางครั้งน้ำตาไหลเหตุที่อาการเกิดไม่เหมือนกันด้วยเหตุใดและควรพิจารณาอย่างไรต่อครับถ้ามันสงบจริงๆมันไม่ควรจะมีน้ำลายไหลนะ น้ำลายมันมักจะไหลตอนที่ยังไม่สงบมากกว่าเวลานั่งแล้วบางทีถ้าเราไม่ไปอยู่กับกรรบริกรรมหรือไม่อยู่กับลมเราไปอยู่กับน้ําลายมันก็รู้สึกว่าน้ําลายมันจะไหลออกมาต้องคอยเกืนมันอยู่เรื่อยๆถ้าเวลาสงบจริงๆแล้วมันจะไม่รับรูเรื่องน้าลายเรื่องอะไรเลยมันจะว่างถึงจะเรียกว่าสงบจริงถ้ามีให้มีอะไรให้มาปรากฏให้เห็นมีปิติมีอะไรนี้ ก็ยังแสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่เริ่มเข้าสู่ความสงบก็อย่าไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้ให้เห็นเพราะเป้าหมายของเรานี้เราต้องการเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความอุเบขาเข้าสู่ตัวรู้ผู้รู้คือสักแต่ว่ารู้เพ่าะน้ถ้ายังไม่ถึงตัวนั้นก็ภาวนาต่อไปถ้าใช้คมบริกรรมก็บริกรรมต่อไป ถ้าดูลมหายใจเขาออกก็ดูต่อไปถ้ามันถึงตัวว่างนั้นแล้วถือตัวรู้แล้วทุกอย่างมันจะหยุดเองคำถามต่อไปจากคุณคาสโนว่าการถวายเงินแด่พระภิกษุสงฆ์ขณะบินทบาทก็ดีหรือเพียงผ่านมาพบเห็นก็ดี ผู้รู้บางท่านหรือแม้แต่พระภิกษุเองบอกว่าท่านรับไม่ได้เพราะผิดวินัยสงฆ์ผู้ให้ก็จะไม่ได้รับผลบุญหากประสงค์จะถวายก็ต้องไปที่วัดผิดถูกอย่างไรครับความเห็นส่วนตัวว่าพระท่านก็จําเป็นต้องใช้ซื้อของใช้ส่วนตัวบ้างคือการถวายเงินให้กับพระโดยตรงนี้พระรับไม่ได้ ต้องถวายผ่านลูกศิษย์ต้องฝากเงินที่จะให้พระได้ใช้นี้ฝากไว้กับลูกศิษย์ของพระคนใดคนหนึ่งที่ท่านไว้ใจได้เวลาท่านต้องการใช้เงินก็สามารถบอกเขาให้เขาไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับท่านได้การให้เงินก็มันก็เหมือนกับการให้อะไรถ้าให้แล้วมันให้โดยถูกหลักทามันก็ได้บุญ ถ้าให้แล้วมันไม่ถูกคนให้ก็ยังได้บุญอยู่แต่ดาคนรับนี่ก็จะอ า, อาจจะทำไม่ถูกกฎระเบียบแต่มันก็บางทีมันก็เรื่องของคนที่ไม่รู้เขาให้มาเช่นบางทีคนไม่รู้เขาก็อยากจะเห็นพระเดินมาเขาไม่มีเวลาไปซื้อข้าวซื้อของเขามีเงินเขาก็หยิบมาแล้วก็ใส่ให้เลย ถ้าพระจะไม่รับมันก็รู้สึกว่ามันขาดความเมตตาไปถ้าอยากจะเอาเอาวินันเอาธรรมก็บอกเ็าได้ว่าไม่รับก็ได้อย่างนลวงตานี่เวลาใครจะใสเงินใสทองท่านก็บอกว่ารับไม่ได้ท่านก็ไม่รับแต่บางท่านบางองค์ท่านก็เมตตาท่านก็สงสารเขาเขอาอยากจะได้บุญก็นับให้เขาใสไปใส่ไปในฝาบาท แล้วก็ให้ลูกศิษย์เขาหยิบไปให้ลูกศิษย์เอาไปใช้ได้ประโยชน์สองสองส่วนคนให้ก็ได้ลูกศิษย์ก็ได้แต่พระไม่ได้เลยอาจจะโดนด่าด้วยหาว่าทำผิดพระมินัยแต่ถ้าพระเป็นเป็นใจเป็นกลางก็ไม่เดือดร้อนใครจะว่าอะไรก็ว่าไปตัวเองมันก็ไม่มีไม่มีความโลภที่อยากจะได้ก็เลย มันก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่ว่าต้องการจะสอนคนนั้นหรือไม่สอนคนนั้นถ้าต้องการสอนคนนั้นก็ต้องบอกเขาว่าใส่ไม่ได้หรือบอกเขาแล้วให้เขาออาไปใส่ให้ให้เขาฝากเด็กไว้ก็ได้มันก็มีวิธีแต่บางทีเวลามันคนมาเยอะๆใส่กันทีสิบยี่สบสามสิบคนมันพูดพูดพูดพดพูดมันใส่เข้าไมันไม่รู้ใครใส่เข้าไปไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยต้องปล่อยให้มันเลยตามเลยไป คำถามต่อไปจากคุณบุญสิริขอคำแนะนำสถานที่อื่นๆในแถบภาคอีสานที่เป็นสถานที่ในแบบที่หลวงพ่อกล่าวถึงคือสถานที่ภาวนาอย่างเช่นวัดหลวงพ่ออินถวายแล้วยังมีที่อื่นๆอีกไหมครับกราบขอคำแนะนำสักสองถึงสามที่ครับเออดองหาเองดิจะให้เราทาให้ทุกอย่างเนยเลของที่ทาเองได้มันให้คนเดินก็ทาทําไหม คำถามต่อไปจากคุณบีนาบีกันเราควรจะตั้งจุดมุ่งหมายของคีวิตยอย่างไรคะกำมุ่งไปสู่พระ น, นิพพานไงคำถามต่อไปจากคุณซูซี่โยมเป็นผู้หญิงอยากเข้าวัดไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้น แต่ประสบการณ์กับทั้งโยมอุปถากและแม่ชีแม่ขาวรอบๆตัวพ่อแม่ครูอาจารย์ทำให้ต้องคิดหนักคนเข้าวัดแต่กิเลสมีมากทั้งนั้นบางทีเอาเรื่องบุญมาใช้เราทำให้อึดอัดใจอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะคือหรือโยมควรปฏิบัติแบบพระอาจารย์ก่อน คือหาที่ปลีกวิเวกอยู่ให้ได้ก่อนแต่การปฏิบัติก็อยากอยู่ใกล้พ่อแม่ครูอาจารย์แต่ยมรู้สึกว่าเบื่อคนที่อยู่รอบข้างท่านมากๆทำอย่างไรดีเจ้าคะพระอาจารย์โปชี้แนะการวางใจด้วยคะ่ะความจริงการอยู่ใกล้ครูอาจารย์หรือไม่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็เคยทรงตัดมาแล้วว่าถึงแม้เธอจะอยู่ใกล้ เกาะชายผ้าเหลืองเราแต่ถ้าเธอไม่สนใจกับคําสอนของเรามันเธอก็อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยนดถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยดแต่เธอสนใจศึกษาคําสอนของเราเธอก็เหมือนกับเกาะชายผ้าเหลืองของเราดัางนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดถึงกับเห็นหน้าเห็นตากันทุกเช้าทุกเย็นะ ข้อสำคัญให้เรามีคำสอนของท่านอยู่ในใจหรืออยู่ในหนังสืออยู่ในซีดีที่เราสามารถที่จะเปิดอ่านเปิดฟังได้ก็เหมือนกับได้อยู่ใกล้กับท่านนะเพราะการอยู่ใกล้ท่านนี้ก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากการฟังธรรมจากท่านเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการดูหน้าดูตาดูรอยยิ้มอันสวยงานงามของท่านเห็นท่านยิ้มให้เราแล้วเราก็โอ้สุขเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ อันนั้นมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการเป็นความหลงก็อยู่ใกล้ชิดแบบนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรพอครูบาอาจารย์ตายไปก็ไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าอยู่กับคําสอนของท่านแม้แต่ท่านตายไปแล้วคําสอนของท่านก็ยังอยู่ต่อไปยังสามารถเป็นที่พึ่งได้ต่อไปดังนั้นการเข้าหากูบาอาจารย์ที่แท้จริงก็คือเข้าหาคําสอนของท่านะ ถ้าเราสามารถเข้าถึงคาสอนของท่านได้โดยที่ไม่ต้องไปพบตัวท่านเองก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปพบท่านก็ได้ไม่ต้องอยู่ใกล้ท่านก็ได้เพียงแต่ว่าในบางเรื่องบางอย่างนี่การได้อยู่ใกล้ท่านมันก็เป็นประโยชน์เพราะเช่นเรามีปัญหาแล้วคำสอนที่เราได้ศึกษาจากท่านนี้มันไม่สามารถตอบคำถามของเราได้ตอบข้อสงสัยหรือปัญหาของเราได้ถ้าได้อยู่ใกล้ท่านได้มีโอกาส การเรียนท่านท่านก็อาจจะตอบให้เราได้ออย่างห้องตาท่านก็เคยเล่าว่าท่านก็บางเวลาท่านก็ขอลาหลวงปู่มั่นไปไปเว่เวกไปภาวนาอยู่ตามลำพังแลอยู่ห่างไม่ไกลมากเดินสักสี่ห้าชั่วโมงก็ถึงท่านบอกบางเวลาท่านภาวนาแล้วท่านเกิดมีข้อสงสัยอะไรท่านบอกันเช้าเสร็จท่านก็จะเดินจงกรมเดินทุดงมาหาหลวงปู่มั่น มาถึงก็ประมาณบ่ายพอดีท่านออกมารับแขกรับคนท่านก็เข้าไปกราบแล้วก็ไปเล่าแล้วก็ได้รับคาตอบได้รับคาอธิบายเสร็จท่านก็กราบลาแล้วก็เดินอีกสี่ห้าชั่วโมงกลับไปสู่ที่พักท่านก็ถือว่าการเดินไปเดินมานี้ก็ไม่เสียเวลาเพราะขณะที่ท่านเดินก็ท่านก็จริญสติไปใจไม่ลอยไปดูนกดูดูอะไรต่างๆ ใจก็มีสติคอยอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธไปก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมพอไปถึงก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปสนทนาธรรมไปกราบถามตอบปัญหาพอได้คำตอบแล้วก็เดินทางกลับเดินภาวนากลับต่อไปอันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่ถ้าเราต้องการที่จะ ปฏิบัติให้มันก้าวหน้าไปโดยที่ไม่มีอุปสรรคเพราะว่าการภาวนาไปนี้ปฏิบัติไปนี้มันจะต้องมีคําถามมีข้อสงสัยเพราะไปถึงจุดหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่หรือว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วควรจะไปทางไหนต่ออย่างไรเช่นได้สมาธิแล้วจะทำอย่างไรต่อดีจะรักษาสมาธิด้วยการเจริญสติต่อไปหรือว่าควรจะออกทางปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้ถ้าไม่มีใครบอกก็อาจจะรักษาสมาธิด้วยการเจริญสติเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้สมาธิก็บริกรรมพุทธโธต่อไปมันก็จะติดอยู่ที่ขั้นสมาธิมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาได้ถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาออกจากสมาธิมาก็ต้องหัดพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาเช่นพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจงเป็นทุกขังเป็นอนัตตา ถ้าเห็นแล้วก็จะได้ปล่อยได้เราก็จะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายก็จะบรรลุทำได้อันนี้ถ้าไม่มีคนสอนก็มักจะไม่รู้กันพอได้สมาธิแล้วก็จะติดอยู่ที่ขั้นสมาธินั้นคําถามต่อไปจากคุณปอสุนันทาถ้าอยากเป็นแค่พระโสดาบันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและต้องบรรลุธรรมเรื่องไหนข้อไหนบ้างคะ กินน้าไว้ไปไปฟังให้ที่เทศเก่าๆบ้างไม่ได้หรอือทำไมต้องมาถามคำถามเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกอยนั่นตอบซะไม่รู้จะปากเปียกปากฉีกแนละ้วคำถามต่อไปจากคุณสุกเล็กๆที่ปลายเขา ข้อแรกสีนข้อสามห้ามประพฤติผิดในกรรมหากคนสองคนลักกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้ไปสู่ขอตามประเพณีอายุบรรลุนิติภาวะแล้วทั้งสองคนแล้วมีอะไรกันแล้วแบบนี้ถือว่าผิดสีนข้อสามหรือเปล่าครับถ้าการอยู่การเจบกามนี่ตามประเพณีเขาก็บอกว่าต้องสู่ขอกัน ต้องเป็นสามีเป็นภรรยากันต้องมีการรับรู้จากบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเพราะมันจะได้ทําให้ผู้อื่นเขาไม่ทุกไปกับความประพฤติของเราการประพฤติของเรานี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์กับเราและเกิดความทุกข์กับผู้อื่นเพราะว่าเรายังเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยอยู่บางทีสิ่งที่เราตัดสินใจจะทํานี้มันอาจจะไม่เป็น ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นสุขกับเรามันจะเป็นโทษเป็นทุกข์กับเราถ้ามีผู้ใหญ่รับรู้ไว้ก่อนจะช่วยกันกรองให้เราอีกทีว่าเราควรที่จะ เ, เสกกรรมห้ืยอย่างเราอยู่ในฐานะที่เราสามารถที่จะมีความรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากการเสกกรรมหรือไม่เช่นมีลูกมีเต้าขึ้นมาเราจะทำอย่างไรไม่ใช่ไปทาแท้งกัน ทำแท้งก็ไปทำบาปกันอีกเอพูดผิดประนวณีแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อเวลาตั้งท้องขึ้นมาแล้วตนเองไม่อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูลูกได้เั้นการที่ท่านบอกว่าไม่ให้เสพการการเมสมิชาราเวรมาณีก็เพื่อให้ทำให้มันถูกต้องให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีผู้ใหญ่ช่วยกันกองให้เราอีกทีหนึ่งว่า เราอยู่ในฐานะที่พร้อมรูออย่างกับการที่เราจะทำภารกิจเหล่านี้เขาถามต่อว่าแล้วถ้าไปเที่ยวตามสถานบริการนะคะผิดสีลข้อนี้หรือเปล่าคะก็ผิดทั้งนั้นแล้วขอพ่อขอแม่ก่อนเมื่อไปรพ่อแม่อนุญาตให้ไปเที่ยวแบบ ข้อที่สองในสิลข้อที่หนึ่งเราไม่มีความตั้งใจหรือเจตนาเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ใดเลยแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันย่อมมีเหตุทําให้กระทบกระเทือนต่อสัตว์อื่นๆด้วยเช่นก่อนอาบน้ำก็จะเก็บสัตว์เล็กสัตว์น้อยเอาไปปล่อยไกลๆแต่ในบางครั้งเราไม่สามารถช่วยทุกตัวได้แบบนี้ถือว่าทำให้ศีนด่างพร้อยหรือเปล่าครับ ถ้ามันไม่มีเจตนา ม, มันเป็นเหตุสุดวิสัยมันก็ไม่ด่างพร้อยแต่ถ้ามันเป็นเหตุที่เราสามารถที่ยังอยู่ในวิสัยที่เราจะแก้ได้ก็ยังถือว่าด่างพร้อยได้เพราะจะทำให้ใจเราไม่สบายเช่นถ้าอาบน้ำตรงนี้ไม่ได้ย้ายไปอาบที่อื่นได้ไหมตอนนี้มีสัตว์อาบแล้วเขาตายงี้เราไปอาบที่อื่นได้หรือเปล่ายังไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัย เรื่องสุดวิสัยเหมือนกับเราขับรถไปแล้วลสุนัขมันวิ่งตัดหน้าอย่างนี้เราเบรไม่ทันชนเขาตายอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าสุดวิสัยมันก็ไม่ด่างพร้อยเพราะว่าเราไม่มีเจตนาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้แต่ถ้าเรายังสามารถยับยั้งมันได้แต่เราก็อ้างว่าขี้เกียจเป็นกรรมของมัน อัอย่างนี้มันก็จะทำให้อย่างพร้อยเพราะใจของเราก็จะมีความไม่สบายใจหลังจากที่เราทำไปแล้วเขาถามต่อว่าแล้วพระที่อยู่ในป่าในเขาพวกมแมลงยิ่งมากพระท่านมีวิธีการอย่างไรในการหลีเลี่ยงตรงนี้ท่านมีการปรับความคิดอย่างไรในเรื่องของการปล่อยวางครับ ทำไมชอบไปรู้เรื่องของชาวบ้านก็ทําไมให้มาเป็นพ้าก่อนแเราจะเล่าให้ฟังเลยคำถามต่อไปจากคุณแบล็กเบรลูหากถวายหนังสือที่อ่านแล้วให้พระได้หรือไม่คะจะกลายเป็นของใช้แล้วให้แก่พระสงฆ์หรือเปล่าคะให้ได้ไม่จะเสียหายตรงไหนของใช้แล้วแต่มันยังใช้ได้อยู่ก็ให้ได้เพียงแต่ว่าทำเนียมนิยมปฏิบัติกัน เวลาเราจะให้ของใครเรามักอยากจะให้ของดีๆกับคนอื่นเพื่อเราจะได้รับได้รับบุญมากเพราะการให้ของไม่ดีแก่ผู้อื่นก็แสดงว่าเหมือนกับให้ให้ให้ขยะผู้อื่นเราจะทิ้งแล้วของนี่ก็ไยให้เขาให้ได้แต่มันควรให้หรือไม่มันก็ควรจะพิจารณาดูความเหมาะสมเวลาที่คนอื่นเขาให้ของไม่ของใช้เรากับเราเราจะรู้สึกอย่างไร คำถามต่อไปจากคุณคัทโนว่าการเจริญสมถะภาวนาจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตนเองทำได้และทำได้ระดับไหนมีสัญญาณอะไรบ่งบอกหรือเปล่าครับปฏิบัติดูก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของผลที่เกิดจากการปฏิบัติไปเล่าให้ฟังก็เสียเวลาเปล่าๆให้พุทโธไปอย่างเดียวแล้วผลมึงก็จะปรากฏขึ้นมาเองถามต่อไปจากคุณซอยสุริน ผมอยากตายหนี้เยอะหาทางออกไม่เจอขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับก็ตายได้ก็ดีนะา <S <S ถามต<า>้อก็มีหนี้ก็ต้องพยายามใช้หนี้ไปใช้หนี้ได้ก็ใช้ไปแต่อยากฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา แต่เป็นการสร้างเพิ่มปัญหาขึ้นมาเพราะมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วเวลาชาติหน้าไปเกิดมินิใหม่มันก็จะฆ่าแก้ปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆท่านบอกว่าการแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายนี้ก็จะเป็นการทําให้เราไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยครั้งเพราะว่ามีปัญหาที่ใดก็แก้ตัวตายตามวิธีเดิมที่เคยแก้มาเพราะฉะนั้นอย่ากแก้ด้วยการฆ่าตัวตาย ให้อยู่สู้กับมันไปถ้าต้องถูกเขายึดทรัพย์ก็ให้เขายึดไปถ้าถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางก็ไปอยู่คุกอยู่ตารางถ้าต้องถูกประหารชีวิตก็ให้เขาประหารชีวิตไปถ้าถ้ามันไม่ได้เป็นการกระทาที่เกิดจากเราเองนี้มันจะไม่เป็นมันมันจะไม่เป็นเอ่อเป็นวิ ส, สัยติดกับเราไปแล้วถ้าเราต้องมารับโทษกับ การกระทําที่ไม่ถูกของเราคือการสร้างหนี้สร้างสินต่อไปเราจะได้เข็ดหลาบว่าถ้ามีหนี้มีสินแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่ า, านี้ตามมามีโทษเหล่านี้ตามมามันก็จะทำให้เราเข็ดหลาบได้แล้วในอนาคตต่อไปเราก็จะได้ไม่กล้าไปสร้างหนี้ไม่กล้าไปใช้เงินใช้ทองแบบเกินตัวถ้าเรารู้จักอยู่แบบประหยัดมัธยัส มากน้อยสันโดษเรื่องนี้สินนี้มันจะไม่มีวิธีแก้ปัญหาเรื่องของนี้สินก็คือต้องยอมต้องยอมรับโทษของมันโทษที่เกิดจากการไปมีหนี้มีสินถ้าเขามาทวงไม่มีให้เขาเ็าจะด่าก็าให้เขาด่าไปเขาจะทุบตีก็ปล่อยให้เขาทุบตีไปถ้าเขาจะจับไปเข้าคุกเข้าตารางก็ให้เขาจับไปยอมทุกอย่าง จนกว่าหนี้สินมันจะหมดไปแล้วต่อไปเราจะได้ไม่กล้าสร้างหนี้กันขึ้นมาแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปถ้าเราหนีแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายเราก็จะไม่เข็ดหลบับชาติหน้าพอมาเกิดใหม่ก็จะไปสร้างหนี้ใหม่พอสร้างหนี้ใหม่ก็พอเจอหนี้ที่ใช้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายใหม่มันก็จะวนอยู่กับปัญหาอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด คำถามต่อไปจากคุณชุติมาเพื่อนบ้านขอให้เอาแมวไปปล่อยตามถนนข้างทางเพราะได้รับความล้ำคาญเสียหายแก่บ้านเรือนเช่นหลังคาแตกกระถางต้นไม้ตกแตกเพื่อนบ้านหลายหลังก็เจอปัญหาเดียวกันหากดิฉันทำตามคำแนะนำจะเป็นบาปหรือไม่คะก็ไม่บาปหรอกเพราะถ้าเราไม่ได้ไปทุบไปตีไปฆ่าเขาแต่มันจะ เป็นเรื่องของความไม่มีความเมตตาไล้ไล้ไล้ความเมตตาปราณีถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็เอามาเลี้ยงหรือแมงก็พาไปหาที่เลี้ยงที่อยู่ให้กับเขาที่อาจจะมีสถานที่ที่เขารับเลี้ยงพวกแมวพวกสุนัขจานจัดเราก็เอาไปเอาไปฝากไว้ที่นั่นคําถามต่อไปจากคุณเดวิด เราเคยทำบาปกรรมไว้ถ้าเราไปติดคุกชดใช้กรรมตามกฎหมายหรือเราเป็นทุกข์แสนสาหัสจากผลกรรมที่เราได้ทำไปแล้วเรายังจะมีผลกรรมติดตัวไปหรือต้องไปชดใช้กรรมในภพหน้าไหมครับเรื่องของกรรมมันก็มีสองส่วนถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายผิดกฎหมายก็ต้องไปถูกจับไปลงโทษ เ, เมื่อโทษหมดแล้ว กรรมนี้ก็หมดสาหรับทางกฎหมายแต่ทางกฎแห่งกรรมนี่มันยังไม่หมดกฎแห่งกรรมนี่มันติดอยู่กับใจถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปผิดศีลก็ต้องไปเกิดในอบายชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของการทําผิดศีลว่าทําด้วยอะไรถ้าทําด้วยความไม่รู้ทําด้วยความหลงท่านก็บอกว่าต้องไปเกิดเป็นเป็นเดรัจฉานถ้าทําด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ้าทำด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสู ร, รกายถ้าทำด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะไปตกนรกอันนี้ก็เป็นที่ไปสำหรับผู้ที่ทำบาปถึงแม้ว่าจะไปติดคิดติดคุกติดตารางแล้วก็ตามออกมาจากคุกจากตารางแล้วเวลาตายไปก็ยังต้องไปใช้บาปทางกฎแห่งกรรมต่อไป คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่คนใหม่ข้อแรกผมช่วยน้องสาวที่ถูกไฟช็อตหมดสติทำให้เขามีชีวิตรอดมาเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อันนี้สงผลบนนี้ผมจะได้เยอะไหมครับและคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆก่อนตายจะไปสุขไปสูขคติโลกสวรรค์ไหมครับถ้าไม่ไปทำบาปอย่างอื่นก็ไปได้ แต่ถ้าไปทำบาปที่มีกำลังมีโทษมีน้ำหนักมากกว่าบุญที่เราทำไว้มันก็ต้องไปใช้ผลบาปก่อนแต่ผลบุญที่เราทำนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าถูกผลบาปที่มีกำลังมากกว่ามาดึงไปรับผลบาปก่อนพอเราได้ใช้ผลบาปแล้วเราพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ ป่าตายไปถ้าเรามีผลบุญมากกว่าบุญที่เราได้ทำไว้นี่ก็จะส่งผลให้เราได้ไปเกิดในสุคติต่อไปคือบัญชีมันเป็นเหมือนบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้ถ้าเงินกู้มากกว่าเงินฝากมันก็ติดลบก็ต้องไปใช้หนี้ถ้าเงินฝากมากกว่าเงินกู้มันก็มันก็กําไรมันก็ได้ไปรับผลกําไรดังนั้นพยายามทําบุญให้มากกว่าบา เวลาตายไปถึงแม้ว่าบาปจะลบล้างไม่ได้แต่มันยังไม่มีกำลังที่จะดึงให้เราไปใช้ใช้บาปไปรับใช้ของผลบาปนั้นได้เราก็ยังไปเอ่อไปรับผลบุญได้ก่อนแล้วถ้าเราไปถึงไปรับผลบุญขั้นสูงสุดอย่างองค์โคลี่มานก็ไม่ต้องไปใช้เลยไม่ต้องไปใช้ผลบาปเลยเพราะถ้าไม่ได้ไปถึงพนานะิพานแล้วหรืออย่างน้อยไปถึงขั้นพระโสดาบันนี้ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องมารับใช้ผลบาปแนละ้วพระโสดาบันนี้จะปิดประตูอบายได้จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกถ้าเราอยากที่จะหนีหนีผลบาปเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุปเป็นพระโสดาบันให้ได้เป็นพระโสดาบันก็ต้องละส ก, กายาทิฏฐิคือลความเห็นว่าร่างกายของเรานี้เป็นตัวเราของเรา ความรู้สึกนึคิดนี้เป็นตัวเราของเรามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายึดเราติดเราก็จะทุกข์ไม่มีใครอยากจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมยอมให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปถ้ายอมได้มันก็จะหายทุกข์ ถ้าไม่ยอมมันก็จะทุกข์แล้วมันก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมารับใช้ผลบาปที่ได้ทำไว้ข้อที่สองมีคนหมดและเสื่อมศรัทธาพระที่ทำผิดวินัยสงฆ์ได้ถวายของเช่นขรุพภัณฑ์แต่ตอนนี้ทำเรื่องขอคืนสิ่งของ ที่เคยถวายไปกรณีนี้สมควรหรือไม่ครับเพราะถือว่าสละออกไปแล้วแต่กรณีนี้พระรูปนั้นบอกว่าถ้าใครไม่ศรัทธามาทำเรื่องเอาของคืนได้และพระรูปนั้นก็สึกขาดจากความเป็นพระแล้วครับก็บุญที่เราทำไว้มันก็จะหายไปถ้าเราเอาของนั้นกลับคืนมา ถ้าเราไม่เอากลับคืนมาถึงแม้ว่าเราจะทํากับพระที่ท่านทุศีนหรือพระท่านที่ศึกไปแล้วบุญนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่เห็นถ้าเราอยากจะเอาของคืนมาเราก็ต้องเอาบุญคืนไปหมวดําถามจากทางบ้านค่ ะ, ะทางนี้อยากจะถามอ่าในมรดการค่ะโยมอพยายามภาวนา พุทโธตลอดเลยเวลาที่ความคิดมันไม่ยอมหยุดค่ะแล้วแล้วจิตมันก็แนบอยู่กับคำภาวนาจนกระทั่งลมหายใจที่ผ่อนมันมันก็ผ่อนยาวไปเรื่อยๆเหมือนกันมันจะไม่ยอมหายใจเข้านะคะยมควรที่จะพุทโธพุทโธแบบนั้นต่อไปมันจะหายใจยังไงก็หายใจของมันเองเลยยมคนที่จะกลับไปคือคือรู้สึกว่ามันมี i s t c t i o n จากการที่ผ่อนลมยาวไปนะคะ ก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมนะถ้าอยู่กับพุโทโธกับพุโทโธไปเป้าหมายของเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลมเป้าหมายของเราอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งเท่านั้นถ้าความคิดปรุงแต่งเราหยุดนล้วลมมันจะสัน้นจะยาวจะหายไปก็เรื่องของลมไปไม่เกี่ยวกันไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดปัญหาอยู่ที่จิตคิดปรุงแต่งหรือไม่ถ้าคิดปรุงแต่งก็ต้องบริกรรมพุโทโธต่อไป จนกว่าความคิดตรงแต่งนั้นจะหยุดค่ะอันนี้ที่ที่พระจารย์เทศเมื่ออ่าอาทิตย์ก่อนอีกเหมือนกับลูกปิงปองที่มันกระโดดไปทางนู้นทางนี้นี้ถ้าหากว่าเราอยู่กับพุทโธแล้วมันมันมันหยุดมันหยุดไปนี้เราแปลว่าตรงนั้นมันมันมันหยุดกระเด้งแล้วหรือยังคะถ้าหยุดนั้นก็จะว่างมันก็จะสงบมันก็จะสบายใจ ยมได้รู้สึกแต่ว่ามันโล่งไปเฉยๆนะคะก็ต้องทําต่อไปก็ต้องพูดโธต่อะะถ้ายัางพูดโธต่อได้ก็พูดโธต่อไป <Okay. S 2> หรือถ้าอยากจะหยุดก็ดูเสียว่าหยุดแล้วใจเฉยๆสบายหรือเปล่าถ้าใจเฉยๆสบายไม่คิดตรุงแต่งก็หยุดก็ได้ okay. แล้วตอนนั้นควรที่จะกลับเข้ามาพิจารณาไตรักกับ เรื่องลงยัง<จ>ไม่คิดปรุงแต่งก็อย่าเพิ่งไปคิดยังไม่ต้องพิจารณาไม่เวลาออกจากความสงบก่อนเวลาใจเริ่มคิดปรุงแต่งก็เอามาคิดพิจารณาทางตายรักได้ค่ะขอบพระคุณค่ะไม่มีคำถามอีกแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่ามานรัต ก, การค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้จะอยู่กับ คำบริกรรมระหว่างระหว่างวันค่อนข้างเยอะก็คือหมายพราะว่าพอหลงไปสักพักหนึ่งเราก็จะกลับมาที่คำบริกรรมแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกกลับมาที่ร่างกายอะค่ะอะไรกลับมาที่ร่างกายคือมันเหมือนกับไปอยู่ความคิดมันไปอยู่กับคำบริกรรมมค่ะ ก็ให้มันอยู่คำบริกรรมแล้วให้มันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นสมาธิอย่างนึ่งใช่ไหมคะก็อยู่ในขั้นเจริญสมาธิอยู่กันอยู่ในขั้นเจริญสติอยู่ก็จะเป็นสมาธินี่จิตมัต้องวูบลงไปแล้วก็นั่งแล้วก็สบายมีความสุขมันก็จะเป็นสมาธิถ้ายังไม่เป็นก็ยังอยู่ในช่วงชักก็เย่อกันอยู่ระหว่างความคิดปรุงแต่งกับระหว่างพุโทโธอยู่เขาก็ยังไม่ยอมหยุด เราก็หยุดไม่ได้เราก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าเขาหยุดเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้สึกใจนี้สงบเย็นสบายเบาเบา <au, S 1> อกเบาใจมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างกันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกนมันจะรู้ว่า อ, อกใจเราสงบมีความสุขมีความสบายถ้ายังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็แสดงว่ายังต่อสู้กันอยู่หรือว่าเขาอ่อนกําลังลงเราก็เลยรู้สึกเบา แตก็ยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สงบเต็มที่ก็บริกรรมพุทโธต่อไปไปจนกว่ามันจะว่างมันเหมือนขาดเหมือนกาเชือ่อเชือกที่เราใช้ชั ก, กเกยมันขาดเรู้สึกว่าไม่มีแรงต้านอยู่ในใจแล้ ว, ลวถ้ายังมีรู้สึกว่ายังมีแรงต้านยังรู้สึกว่ายังไม่สงบมันก็แสดงว่ายังยังต้องบริกรรมต่อไปถ้าสงบ แต่แล้วมันมีความสุขอยู่อันนั้นก็ยังต้องชักเขย่าต่อใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นอุเบกขามันมันยังเป็นอารมณ์สุขอยู่นะคะถ้ามันยังไม่อุเบกขาก็บริกรรมต่อไปจนกว่ามันจะเฉยมันจะสบายไม่มีอะไรมาฉุดมาลากให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปทําอะไรต่างๆให้เราอยากจะอยู่เฉยๆชอบอยู่เฉยๆมีความสุขกับการอยู่เฉย คือบางทีมันมันสุขขึ้นมาเองนะคะมันมันสุขแล้วมันก็นั่งยิ้ของมันเองนะคะอ่มันก็เป็นไปได้เรื่องของจิตบางทีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนั้นก็ยังไม่ไม่ถือว่าเป็นความสงบใช่ไหมคะก็จะถือว่าสงบก็ได้ถ้ามันมีความสุขมันก็สงบแต่ว่ามันมันยังมีติดมันยังมีมันก็อาจจะสงบชั่วคราวเป็นคณิกะสมาธิอะไรทานองนั้น แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าอยากจะให้มันสงบนานๆก็ต้องพูดโธไปนานๆต่อไปอพอมันหายแล้วก็พุทเราก็พูดโธใหม่หอืมใช่ครับที่ว่าคําถามหมดบล้วนะถ้าเชนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิพพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญในธรรม ยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น